นับูตัตสัภคะวะโตอะรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนับูตัตสะภคะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนับูตัตสัภควะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาทิพกคเวภาเวทะสุสมาหิโต ย่าทาฟูตังประชานาตีตีนั่งตามสบายวันนี้คนเยอะนะเนี่ยเต็ ม, มเมื่อตะกี้ชุดนำปฏิบัติ ชุดนั้นมีอะไรสงสัยไหมดีนะมเมื่อกี้มานั่งฟังเอ่นนี่จะให้อัตมานำใหม่คงไม่เหมือนอย่างนั้นแล้วอันนั้นเรียกว่าเป็นจุดเลยจุดเริ่มต้นไปประมาณถ้าเริ่มต้นหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็ประมาณจุดที่ผ่านไปทั้งยี่สิบยี่สเอร์เต ถ้ามาเปรียบกับหลังๆนี่มันจะหนักขึ้นเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วการรู้ลมหายใจตามหลักการของพระพุทธเจ้าและขยายความโดยภาษารีบุตคือลมหายใจเนี่ยมันอยู่ที่ช่องจมูกของเราวิ่งเข้า ว, วิ่งออกอยู่ี้การที่เราจะเข้าไปรู้ลมหายใจเนี่ยที่ถูกต้องมันควรจะเป็นอย่างไร ที่ถูกต้องคือไอ้จิตผู้รู้ที่จะรู้ลมหายใจนั้นเ้าต้องเป็นอิสระทำยังไงให้เขาเป็นอิสระอิสระอะไรอิสระจากที่ตั้งของจิตรู้เ ม, เมื่อกี้มีคาว่าที่ตั้งของจิตรู้ใช่ไหอแต่เบื้องต้นเนี่ยต้องมีที่ตั้งของจิตรู้แะต้องรู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าแต่ตัวจิตผู้รู้ จะต้องอิสระจากที่ตั้งของจิตรู้อิสระจากลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้ทั้งลมหายใจออกทั้งลมหายใจเข้าอันนี้คือจะต้องผ่านไปกลางกลางแล้วพออยู่ๆมันจะไปให้จิตผู้รู้อิสระเลยมันยากพระพุทธเจ้าในหลักอนาปา น, นสติ สองขั้นแรกพระพิจารณาใช้ศัพท์ว่าปัญญานาติคือกําหนดรู้เวลากาหนดรู้นี่หมายความว่ามันจะต้องปักไปที่ใดที่หนึ่งปักไปที่นิมิตปักไปที่ตั้งของจิตรู้ปักไปที่ลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้ด้วยการกําหนดรู้ก่อนพอกําหนดรู้ไปเรื่อยๆจิตผู้รู้ก็จะคลายตัวออกมาจากสิ่งที่กําหนดก็ที่ตั้งของจิตรู้ก็จะเหลือเป็นเพียงแค่สถานะ เป็นที่อาศัยของจิตผู้รู้แต่ไม่ใช่เป็นที่อยู่ลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็เป็นแค่สิ่งที่ถูกรู้อันตัวผู้รู้จะต้องไม่ไปปักอยู่ที่ใดที่หนึ่งเมื่อเขาไม่ปักอยู่ในที่ใดที่หนึ่งนั่นคือเขาเป็นอิสระจากนิมิตเป็นอิสระจากลมหายใจ เมื่อเขาเมื่อลมหายใจเพียนเพียงแค่สิ่งที่ถูกรู้เนี่ยสภาวะอื่นๆที่จะปรากฏขึ้นในขนาดนั้นมันก็เป็นเพียงแค่สภาวะที่ปรากฏจิตผู้รู้ก็เข้าไปรู้แค่รู้แค่รู้แต่กิจที่จะต้องผู้ปฏิบัติจะต้องดำเนินอย่างแน่วแน่และต่อเนื่องก็คือ รู้ลมหายใจออกยาวรู้ลมหายใจเข้ายาวรู้ลมหายใจออกสั้นรู้ลมหายใจเข้าสั้นแล้วจิตที่จะรู้ลมหายใจยาวรู้ลมหายใจสั้นนั้นมันไม่มันจะต้องถูกหยิบหยิบสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปก่อนอะไรที่ไม่ใช่หยิบออกไปอะไรที่ไม่ใช่หยิงออกหยิบออกไปอะไรที่ไม่ใช่หยิบออกไปมันก็เลยเหลือจิตผู้รู้ที่เป็นอิสระต่อสิ่งที่ถูกรู้โดยสิ้นเชิง แต่ต้องหยิบสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปก่อนสิ่งที่ไม่ใช่คืออุปกิเลสในอาณาปานสตินิวรห้าวิธีการหยิบหยิบอย่างไรหยิบอย่างไรก็คือศึกษาให้รู้ว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นนใชเพราะว่าจิตมารู้ว่าอันนี้ไม่ใช่มันก็ไม่เอาจิตมารู้ว่าอันนี้ไม่ใช่มันก็ไม่เอา จิตมันรู้อันนี้ไม่ใช่มันก็ไม่เอาการที่มันไม่เอานี่คือการหยิบออกมันก็จะเหลือกิจที่บริสุทธิ์คือกิจที่จะรู้ลมหายใจที่ถูกต้องทีนี้ลมหายใจยาวถ้าเราใช้ปัะชานาติคือกาหนดเนี่ยขวานิ่งๆอยู่ที่ที่มันรู้สึกได้ตรงนิมิตอย่างนี้เอ่อ ความยาวของลมมีอยู่สองแบบเรียกวแบบยาวตามระยะทางมีหน่วยวัดเป็นนิ้วเป็นเซนใ้นไหมนี่เรียกว่ายาวตามระยะทางนี่ความยาวอีกถ้ายาวตามระยะทางแน่นอนจิตจะต้องปักอยู่ที่ลมมันจะไม่ปักอยู่ที่นิมิตมันจะปักอยู่ที่ลมหายใจถ้าปักอยู่ที่ลมหายใจความกัดแกงของจิตเกิดขึ้นแน่นอนเพราะลมหายใจมันไม่นิ่ง มันเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกเพราะฉะนั้นพระสาริบุตรขายายความตรงนี้ว่าอัฏฐานะสังขาเตในอันปรนนัยว่าบานาน่นานนานนาความยาวเท่ากับความนานเข้าใจกัำว่านานไหมฮะความยาวเท่ากับความนานคือรู้ความยาวที่มันนานไม่ใช่รู้ความยาวที่มัน ยาวตามระยะทางความยาวที่มันนานก็มีหน่วยเป็นอะไรเป็นวินาทีเป็นนาทีก็จะไหมเนี่ยยาวยาวอย่างนั้นความนานพอลมสั้นเป็นยังไงภาษารีบุญขยายความว่าอิตรสังขาเตอิตรนี่แปลว่านิดหน่อยนิดหน่อยคือความนานมันลดสั้นออกมาเหลือเป็นความนานเล็กน้อย นานนิดหน่อยทศจะเปรียบเหมือนที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังเหมือนเรายืนอยู่แลวมีงูตัวหนึ่งเลื้อยผ่านหลังเท้าของเราเราจะรู้ความยาวของงูตัวนี้ได้สองแบบแบบที่หนึ่งคือความนานของการเลื้อยผ่านที่หลังเท้าของเรา ถูกไหมนี่นี่ก็คือยาวเรารู้เลยว่านี่คือความยาวอีกอันหนึ่งคือความยาวของงูตัวนี้เรารู้ได้เลยตั้งแต่จุดเริ่มต้นกองมันปุ๊บเรากอบไปเลยจนมันสุดหางไว้แล้วนี่ก็ได้นี่ก็เป็นความความความนานตามความยาวของของขอ ง, ของระยะทาง แต่ความนานตามเวลาที่มันความยาวตามเวลาที่มันไหลเนี่ยเฝ้านิ่งอยู่ที่เดียวเฝ้านิ่งอยู่ที่เดียวตรงนั้นเราเรียกว่าโพธพารมเข้าใจไหมที่เรียกว่าโพธพารมพงงูมันแต่เลื้อยที่หลังเท้าเนี่ยตัวงูสัมผัสกับกายปราสา์คือหลังเท้าของเราจุดที่สัมผัสต ร, ตรงนี้เรียกว่าโพธพารมเราเฝ้ารู้ตรงนี้ แล้วมันก็ไหลตัไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเืๆจนสุดเราก็จะรู้ถ้าเฝ้าตรงนั้นจิตจะไม่วอกแวกไปไหนจิตก็จะไม่ปักอยู่ที่หลังเท้าจะไม่ปักอยู่ที่ตัวงูแต่จะอยู่ที่โผลถับพารมอืมอยู่ที่อยู่การสัมผัสที่เกิดจากงูกับหลังเท้าสัมผัสกันแต่มันจะไม่ปัก การรู้อย่างนี้มันจะทำให้พบเจอสิ่งซึ่งไม่ใช่วิ่งไปก็ไม่ใช่จิตหลุดออกจากตรงนั้นวิ่งตามตัวงูไปก็ไม่ใช่หลุดออกจากตรงนั้นคาดการถึงระยะของงูที่ยังเหลืออยู่นั่นก็ไม่ใช่ปักลงในที่ดิมิตก็ไม่ใช่ปักลงตรงที่งูก็ไม่ใช่ออกไปสู่ความหวาดกลัวก็ไม่ใช่ มีความหวังถู่อนาคตว่าเมื่อไรมันจะหมดอย่างนั้นก็ไม่ใช่มันจึงเปรียบเหมือนกับที่ว่าไมเคิลแองเจโลใช่เห็นก้อนหินก้อนหนึ่งแล้วก็มีภาพของเดวิดปรากฏอยู่พอมีภาพของเดวิดปรากฏอยู่ชัดปั๊บเขาเขาทำกิจของเขาคือการหยิบสิ่งที่ไม่ใช่เดวิดออกไปที่ก้อนหินก้อนนั้น นึกภาพออกอย่างเห็นภาพเดวิด ท, ที่ก้อนหินก้อนนั้นแล้วเขาทำหน้าที่หยิบสิ่งซึ่งไม่ใช่เดวิดออกไปหยิบออกไปหยิบออกหยิบสิ่งที่ไม่ใช่เดวิดออกไปสิ่งที่เหลือคือเดวิดงานนั้นยังอยู่จนเดี๋ยวนี้ <c oughs> เหมือนกันพอเราเริ่มมีความรู้อย่างนี้แล้วเราก็รู้ลมหายใจตามโพวตาพารณมนั้นอะไรที่ไม่ใช่หยิบออก อะไรที่ไม่ใช่ก็หยิบออกอะไรที่ไม่ใช่ก็หยิบออกลักษณะของสิ่งซึ่งไม่ใช่มันจะเกิดขึ้นได้ง่ายมากแล้วเราจะหลงต่อสิ่งที่ไม่ใช่ง่ายมากการรู้ลมหายใจจึงไปไม่ไหนไม่ไปไหนกันของแต่ละคนทีนี้เช้านี้จะพูดถึงเรื่องของคาว่าเอกะคาตาลม เอกขตารมณ์คือความเป็นผู้มีอารมณ์อันเดียวของจิต อ, อารมณ์อันเดียวของจิตเนี่ยเราไม่ต้องไปปรารถนามันนะมันเกิดจากการรู้อย่างถูกต้องถ้าในใจเราแบ่งเป็นแดนๆนะเราทวนมากเรามักจะแบ่งชีวิต ชาตินี้ชาติหน้าพบดีพบหน้าซึ่งมันไม่ควรที่จะไปมีความรู้แบบนั้นถ้าเราไปรู้ถ้าเราไปมีความรู้แบบนั้นจิตจะอยู่กับอนาคตตลอดคาดหวังว่าจะไปสุกติคาดหวังว่าจะไปพรหมโลกนะเพราะจิตอยู่ที่อนาคตไม่มีวันที่จะไปได้ไม่ใช่ความเป็นจริงเพราะมันยังไม่มีแต่แดนของจิต ในปัจจุบันนี้ในขณะ น, นี้ที่เรานั่งอยู่นี้แดนแรกเลยที่เป็นอยู่เรียกว่ากามสัญญาเป็นแดนแห่งความหมายรู้มั่นหมายที่มีความชอบใจและความไม่ชอบใจซึ่งเราเรียกกันว่าอภิชาและโทมนัสตั้งใจฟังระลึกตามดีๆนะจะได้เข้าใจเรื่องราวของพวกเขาอภิชาและโทมนัสจะอยู่ในแดนนี้ในแดนของกามสัญญา ถ้าเรานั่งนั่งอยู่เนี่ยถ้าเราสามารถเห็นได้ว่ามันมีความพอใจเกิดขึ้นมีความไม่พอใจเกิดขึ้นโดยอาศัยความนิ่งของจิตก็ดีโดยอาศัยการไหลออกไปของจิตก็ดีโดยอาศัยการย้อนไปในอดีตก็ดีโดยอาศัยการที่จิตคิดไปในอนาคตก็ดีหรือแม้นแต่อยู่ในกับปัจจุบันนิ่งอยู่นี้ก็ดีถ้ามันมีความพอใจและความไม่พอใจเรียกว่าอาิชาโทมนัอันนี้เป็นแดนของกรมสัญญา ในแดนกรรมสัญญาไม่สามารถมีเอกกัตตารมได้พูดเลยเอกกตตาล ม, มตัวนี้คือฐานที่จะเข้าถูกสัมมาสติสัมมาส ม, มาธินะแต่ถ้าเป็นเอกกัตตารมของฤาษีชีไพรของใครต่างๆที่ที่ว่ากันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าเราทำความเข้าใจแดนเอกกัตตารมไม่ถูกต้องในที่สุดเราจะผิดยันนิพพาน นิพพานเราก็จะไม่ถูกต้องนิพพานเรากลายเป็นเมืองกลายเป็นแดนเข้าใจไหมนิพพานที่มันเป็นเมืองเป็นแดนพระเอกกับขตารลมไม่ถูกต้องนิพพานเป็นเมืองเป็นแดนเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมฮะนิพพานที่เป็นเมืองเป็นแดนหมายความว่าพระพุทธเจ้าตั้งแต่พระทีปังกรมาพระอรหรันตุกองหรืกอกังไม่ไปไหน ยังอยู่ที่เมืองนั้นยังอยู่ที่แดนนั้นอย่างนี้เรียกว่าเอากะขะตารมันผิดมาตั้งแต่ต้นเป็นเรื่องราวของพวกฤษีชีภัยเป็นเรื่องราวของมหาอัตตาอย่างนั้นมีอัตตาไหมมีออมีเพราะมันอย่างนั้นมันเป็นมหาอัตตาพราะเจ้าถึงถึงเรื่องนี้ก่อนเห็นว่าไม่ใช่เลยทิ้งหมดหันกลับมา เข้าสู่จิตผู้รู้อย่างเป็นกลางและเข้าเอกคตารมที่ถูกต้องเอาลทีนี้อาณาปานาสติจะให้เอกกัคตารมที่ถูกต้องกับเราอย่างไรตังใจฟังให้ดีนะเดี๋ยวจะถามตอบไม่ถูกเนี้ยอายแล้วนะนนะถามคนใหม่แล้ตอบถูกคนเก่าตอบไม่ถูกนี่โอ้โหอายเลยเอกกัคตาโรมที่ถูกต้องเป็นแดนการ ม, มัสัญญาเราเริ่มต้นจากการรู้ลมยาว พอรู้ลมยาวปั๊บจิตผู้รู้เขาจะอยู่กับลมหายใจที่ออกยาวตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมจนสุดลมหายใจให้สังเกตดูว่าจิตผู้รู้เขาไม่มีอะไรอื่นมีแค่ลมหายใจที่ไหลออกไปทูจนสุดลมเข้าดูจนสุดลมออกดูจนสุดลมเมื่อรู้อย่างถูกต้องอย่างนี้จิตที่มันเคยรู้ในฐานะที่เป็นวิญญาณ น, นักขัน มันรู้เรื่องนั้นเรื่อง น, น, นี้มันจะถอยตัวออกมาหมดเลยจะคลายตัวออกมาหมดเลยแล้วก็มารู้ลมมารวมเป็นตัวรู้แล้วก็รู้ลมหายใจนี้ก็รู้ลมตั้งแต่ต้นลมจนสุดลมแค่หนึ่งคู่เนี่ยจิตจะออกจากความพอใจและไม่ความไม่พอใจทันทีเพราะคุณสมบัติของจิตผู้รู้ที่รู้ลมหายใจอย่างถูกต้อง ตรงๆนั้นเขามีอาตาปีเคยได้ยินใช่ไหมอาตาปีสัมปชาโนสติมาวิเนยะโลเกอภิชาโทมานัสสังอาตาปีคือว่าความเพียรที่แผดเผาปล่อยไปก่อนสติมาคือมีสติสัมปชาโนคือรู้ตัวมีตัวรู้ที่คลออยู่กับตัวระลึกตัวส ต, ตวิตัวอีกตัวหนึ่งที่สำคัญมากก็คือว่า วินัยยะโลเกอภพิชาโทมนสังคือหยุดความรักความชังคือหยุดความอะไรหยุดความพอใจและความไม่พอใจนั้นมันปรากฏขึ้นทันทีเมื่อจิตรู้เข้าสู่ลมหายใจพอจิตรู้เข้าสู่ลมหายใจปั๊บมันเป็นวินัยยะโลเกอภิชาโทมนสังคือว่ามันหยุดความพอใจและความไม่พอใจถ้าเมื่อไดความพอใจเกิดขึ้นความไม่พอใจเกิดขึ้นจิตจะหลุดออกจาก จิตผู้รู้จะหลุดออกจากลมหายใจอย่างถูกต้องนั้นทันทีแต่ถ้าจิตผู้รู้เฝ้ารู้ลมหายใจอย่างถูกต้องคราใดครานั้นหยุดความพอใจและความไม่พอใจทันทีเมื่อเขาหยุดความพอใจและความไม่พอใจนั้นแสดงว่าอะไรแสดงว่าจิตเริ่มเข้าสู่พื้นผิวของรูปปัสัญญาจิตเริ่มเดินออกจากการมสัญญาเพื่อเข้าสู่พื้นผิวของรู ป, ปสัญญา ถ้าเปรียบตอนที่รู้ลมหายใจยาวแบบเต็มร้อยรู้บุลมแบบเต็มร้อยอยู่นั้นเอกะกะตารมยังไม่เกิดแต่เมื่อเกิดคว า, ามสันโตคือจิตมันสงบราบเรียบขึ้นมาลมหายใจที่ปราณีตก็จะหดตัวสั้นลงเข้าใจไหมความยาวของลมนั้น จะสั้นลงสั้นลงเท่าไรถ้าโยมหายใจนั้นมันสั้นลงสัก 70% อเอนะเอกคตารมจะเกิดเท่าไหร่ฮะถ้าลมหายใจร0อยตจิตบูบบไม่มีเอกกคตารมเพราะลมมันยังยังหยาบอยู่ตอนยาว แต่เมื่อเกิดความสันโตเกิดความสกปราณีตลมหายใจที่ละเอียดก็จะค่อยๆหดตัวสั้นลงลมหายใจที่หดตัวสั้นลงนั้นจิตผู้รู้ที่รู้ลมหายใจหดตัวสั้นลงนั้นถ้าเขาหดตัวสั้นลงเจ็ดสิบจากร้อยหนึ่งเหลือเจ็ดสิบก็จะเกิดเอกะคาตารมสามสิบนั่นคือการใช้นั่นเกิดเกิดอะไรเกิดคานิกะสมาธิเห็นไหม เมื่อตะกี้ตอนที่ลมหายใจมันเต็มร้อยอยู่นั้นในกรรมสัญญามีนิวรณมีอภิชาโทมนัตมีอดีตมีอนาคตแต่เมื่อจิตเกิดความสันโตสงบเรียบปราณีตขึ้นมาแล้วอดีตอนาคตมันไม่ไปเพราะว่าจิตผู้รู้เขาจะเฝ้ารู้แค่ลมหายใจเท่านั้นลมหายใจก็จะสั้นลงสั้นลงแบบสบายๆนะไม่ใช่สั้นลงแบบเราเป็นผู้ทำให้สั้นลงไม่ใช่ เขาสั้นลงตามธรรมชาติของการเติบโตของจิตผู้รู้ที่มีสติสัมปชัญญะนั้นลมหัยใจสั้นลงเอกขาตารม์ปรากฏแต่ที่พูดให้ท่านทั้งหลายฟังอย่างนี้ไม่ใช่พอนั่งปั๊บวิ่งหาเอากขัตารม์ไม่ได้เอกขัตารม์ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ในฐานะที่เราเป็นผู้ทำ แต่เอกคัาตารมณ์เขาจะเกิดขึ้นได้ในการที่เราทําเหตุให้จิตผู้รู้ตรงต่อสิ่งที่ถูกรู้อย่างแน่แน่แล้วมันจะปรากฏขึ้นมาเองพอจิตผู้รู้รู้ลมหายใจลมหายใจสั้นลงสักจิตสิบก็เกิดเป็นเอกคัาตารมณ์สามติบนั่นเป็นคณิกะสมาธิทันทีโดยสมาธิก็จะเกิดขึ้นทันทีแล้วรู้ต่อไปด้วยอีกลมหายใจก็จะ ละเอียดได้ปราณีตยิ่งขึ้นก็จะสั้นลงกว่าเดิมสั้นลงกว่าเดิมสั้นไปนสักกี่เปอร์เซ็นต์นะถ้าสั้นไปนสักเหลืออีก4 0ซถ้าห0จะเกิดเอากาคาตารมเท่าไหร่0ี่สบถ้าลมหายใจสั้นลงไปอีกส0สิบเอากาคาตารลมเท่าไหร่ <50. S 1> ถ้าลมหายใจมันสั้นลงไปอีก สิบเกิดเท่าไหรเก้าสิบถ้าลมหายใจสั้นไปอีกเออเหลือเหลือหกเอกกะคาตารมเท่าไหร่เก้าสิบสี่ลมหายใจศูนเอกกะคาตารมเท่าไหร่เออเราเคยได้ยินไหมที่ก็บอกว่าลมหายใจหายไ ป, เ, ปเคยใช่ไหม เ, เอออะไรมันเกิด แต่เวลาเอกขาตารมที่มันเกิดในขณะที่เราหายใจหายเราไม่เคยรู้เอกขาตารมเลยด้วยเหตุอะไรด้วยเหตุว่าเดินทางเข้าสู่ลมหายใจของเรานั้นไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องมันเลยทำให้เราเกิดความลังเลสงสัยตกใจกลัวหวราระแวงเข้าใจไ่มเออ ลังเลสงสัยตกใจกลัวระแวงเสร็จแล้วในจังหวะที่ว่าลมหายใจมันหยุดนั้นจิตมันก็เกิดการปรุงแต่งขึ้นวิ่งหาลมหายใจทั้งหมดที่พูดนี่คือความไม่ถูกต้องของมันทั้งหมดอืความไม่ถูกต้องของมันทั้งหมดเลยวิ่งหาลมหายใจแล้วบางคนอยู่ที่จริตของแต่ละคนนะเกิดอะไรเป็นนิมิต เห็นอย่างนั้นเห็นอย่างนี้บางคนก็เจ็บเจ็บปวดปวดบางคนก็คันคันบางคนก็เห็นแสงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บบางคนก็โน่นนี่นั่นไปตามจริตของแต่ละคนแล้วเราไปไหนเราก็หลงไปในนิมิตต่างๆที่มันปรากฏการภาวนาของเราเป็นยังไงหยุดทันทีหยุดทัน ท, นทีแต่จังหวะที่ลมหายจใจ ห, หยุดเอกะกะต า, ร, กตารมนั่นร้อยเบอร์เซนเอกะกะตารมแท้จริงก็คืออะไร คืออุเบกขาภายในใช่ไหมถ้าเขร้อยเเ็ขึ้นมาเนี่ยแล้วมีสติรู้อยู่กับความเป็นเอกรคะตาในขนาดนั้นลองคิดดูและตรงนั้นเรียกว่าอปปนาสมาธิและเป็นสัมมาสมาธิถามว่าลมหายใจยังมีอยู่ไหมฮะมีแต่เป็นยังไง<ม>ละเอียดละเอียดในขนาดไหน ที่เราว่าลมหายใจเราหยุดเพราะลมหายใจเราละเอียดขนาดไหนละเอียดในขณะที่มันไม่เกิดเป็นโผฏฐารณ์เข้าใจป่ะเออเข้าใจกับว่าโผฏฐารลมไหมเข้าใจนะยมเข้าใจไหมลมโผฏฐารลมก็คือลมหายใจกระทบกับที่เรารู้ตั้งแต่ครั้งแรกอะ่พะพอเราหายใจเข้าให้สุดหยุดการหายใจไว้ตั้งใจว่า จะรู้สึกกระลมออกแล้วปล่อยลมไม่ออกมาแล้วลมหายใจเรากระทบตรงไหนเรารู้สึกตรงนั้นที่เรารู้สึกได้นั่นเรียกว่าโผล่ับพารมณ์แต่เมื่อลมละเอียดเนี่ยตัวโผล่ถับพารมณ์เนี่ยมันจะแผ่วเบามากแผ่วเบาจนถึงขนาดไหนจนถึงขนาดที่ลมหายใจเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกไม่ปรากฏโผล่ถับพารมณ์เราเลยไม่รู้ลมหายใจเออเข้าใจยัง เออพอจิตที่ละเอียดและวปราณีตขึ้นมาลหมหายใจมันก็จะละเอียดประณีตยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆการรู้ในโผฏฐัพพารมณ์นั้นมันจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงเพราะการสัมผัสพื้นผิวของกายยปัสสัดกับลหมหายใจที่ละเอียดนั้นมันจะแผ่วเบ า, บาลงจนมันสุดแล้วมีสติสัมมาญาตตั้งขึ้นแล้วไม่มีลหมหายใจให้จับได้ในขณะนั้นเนีตัว น, นั้นเป็นอัปนาสมาธิ ทัดเลยแล้วในอานาปานตัติพอรู้อย่างนี้แล้วรู้ลมข้าวรู้ลมออกลมหายใจในขณะนั้นเป็นเพียงแค่สิ่งที่ถูกรู้เฉยๆถ้ามีก็รู้เข้าไปมีก็รู้เข้าไปมีก็แค่รู้ก็ไปมีก็แค่รู้ก็ไปไม่ต้องไปกําหนดรู้ใดๆทั้งสิ้นซึ่งพระพุทธเจ้าให้เราทําหน้าที่อะไร ทำหน้าที่ในการศึกษาสภาวะที่ปรากฏแต่ไม่ใช่ลมหายใจลมหายใจมันเหมือนกับไอที่แฝนที่ยึดสำหรับที่จะไม่ให้เราร่วงลงออกจากเส้นได้ที่ชื่ออาาเท่านั้นเองแต่กิจที่เราจะต้องทำในขณะที่เรายืนอยู่ในเส้นได้ที่ชื่อว่าอาณาคือสภาวะที่มันปรากฏในแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัด ในแต่ละข้ อ, ขอแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อเริ่มต้นตั้งแต่รู้ความนานของลมหายใจรู้ความยาวของลมหายใจเข้ารู้ความยาวของลมหายใจออกเป็นเหตุทำตรงนี้ให้เชี่ยวชาญชนานาญแล้วมันก็จะเกิดผลมาเป็นลมหายใจจะสั้นลงลมหายใจสั้นลงเรารู้ความสั้นของลมหายใจนั่นคือกิจที่สองที่อาศัยการกรำหนดรู้ พอรู้ความสั้นนี้จนชํานาญเกิดผลเป็นขั้นที่สามขั้นที่สามเกิดผลคืออะไรคือตัวรู้เข้าไปรู้ลมนอกอยากเป็นผัวพารมณ์แล้วรู้ลมอื่นด้วยที่มันกระจายเข้าไปรู้ลมทั้งที่เป็นผัวพารมณ์และลมที่ไม่ใช่ผัวพารมณ์ด้วยตอนนั้นพระพุทธเจ้าให้เราศึกษาอะไร ให้เราทำหน้าที่ไม่ใช่การเรรู้เลยนะให้ทำหน้าที่ศึกษาลมเนี้ยเรียกว่ารู้ลมทั้งปวงลมที่มันผ่านทางโผลตะพารมด้วยที่มันสั่นนิดหน่อยนันน่ะป๊ดป๊๊ปปปปืนิดเลเลเลเ ล, เ ล, เ ล, ลมมันอาจจะมีเยอะแต่มันผ่านทางที่เรารู้ได้จากโผลตพารมมันิดเดียวรู้ลมนั้นด้วยและลมที่ไม่ได้เป็นโผลต่ตะพาลม ที่มีอยู่ข้างในนั้นด้วยเปรียบเหมือนตีระฆังตีระฆังเนี่ยเกง่งจบไหมไม่จบเพราะมันยังมีอะไรเงงเง่งง่งง่งง่งง่งไอ้เงงง่งง่งหลังนั้นเราตีไหมเราไม่ได้ตีเออเหมือนกันมันละเอียดจนขนาดว่ารู้ในโพวถักราลมนั้นนิดเดียวแต่มันรู้ในสิ่งที่ไม่ใช่โพวถักพารม์ด้วยอันนี้เรียกว่าอะไร สัพพกายะปฏิสังเวทีอัตตสิทธมีติสิกขติคือรู้ลมทั้งปวงนั่นเองรู้กายทั้งปวงนั่นเองแต่รู้ตรงนี้เรามาทาหน้าที่ศึกษาเขาจนมันชำนาญแล้วมันเกิดอะไรฮะ เ, ะ, ไรนนะเกิดอะไรพอชำนาญแล้วเกิดอะไร ปัตสัมยังกายทั้งขารังอัศสิทธามีติสิกขริแปลว่าฮะเกิดลมหยุดคือไอที่เป็นโผตภาพลมที่ตืหนึ่งนั้นไม่มีไม่สามารถรู้มันได้เพราะมันละเอียดมากแต่มันมีอะไร พอตรงนั้นปัเราก็รู้ศึกษาจังหวะที่ลมมันหยุดนี้เรียกว่าลมสังขารระหับระหับไม่ใช่หยุดนะระงับไม่ใช่หยุดอย่าไปตีความว่าระหับแปลว่าหยุดระงับคือเราไม่สามารถเอาจิตปุร้เข้าไปรู้ได้ที่โผล่ตัปพาลมันไม่ปรากฏที่โผล่ตัปพารกแต่แต่มันยังรู้รู้อะไรรู้ ถึงลมในนิมิตนั้นได้อยู่การที่เป็นกายสังขารระหับหมายว่าลมหายใจหยุดนั้นคือไม่ปรากฏที่โผล่ถับคารมนั้นน่ะเฝ้ารู้ตรงนั้นเฝ้ารู้ที่ลมหยุดนั้นแล้วเมื่อลม จ, จิตสามารถที่จะเข้าไปรับรู้ลมในส่วนอื่นที่ไม่ใช่โผล่<ๆ>ับคารมก็แค่เกาะไว้เฉๆ ก็อยู่กับลมที่ชื่อว่าอาณาปานนสติเป็นเส้นได้ของมันเกาะเฉยๆแต่กิจที่เราทำนั้นคือเราศึกษาการที่ลมหายใจระคับเนี่ยศึกษาไปศึกษาไปศึกษาไปศึกษาไปศึกษาไปศึกษาไ ป, าไปแล้วก็รู้สภาพของลมที่มันปรากฏแม้นไม่เป็นโพธิภาลมแล้วแต่มันเป็นลมอื่นที่มันละเอียด คือมันไหลเข้าไปโดยที่ไม่ผ่านโพธาารมไม่ให้เกิดโพธาารมมละเอียดมากจนไม่มีการพื้นผิวแข็งการสัมผัสนั้นแต่เราก็เคราศึกษาถึงการระหับของลมหายใจนี้จนมันชำนานแล้วมันจะเกิดอะไระถูกต้องเมื่อศึกษาความที่ลมหายใจมันระหับ จิตมีสติสัมปชัญญะไม่รู้สึกอึดอัดเลยมีสัายะมากมันก็จะค่อยๆกระจายกระจายแผ่แผ่กระจายเนี่ยตัวรู้จะรู้ถึงความแผ่กระจายของสภาวะอันหนึ่งที่เขาแผ่กระจายเขาแผ่กระจายไปด้วยอํานาจของอะไรรู้ไหมด้วยอํานาจของลมที่มันละเอียดไม่ได้ผ่านโผตะพารม์นั่นแหละ เขาก็แพร่กระจายเป็นพารณาปิติปิติที่จะเกิดในอาณาปานาสติถ้าเป็นปิติแบบขนลุกขนพองตัวลอยไม่ใช่ถ้าเกิดอย่างนั้นแล้วอย่าเป็นหลงผิดเลยไม่ไม่ถือเป็นปิติในมนณาปิติที่จะเกิดในอาณาปานาสติซึ่งเป็นสภาวะที่จะปรากฏในขั้นที่ห้าคือตัวพารณาปิติ ที่มันจะแผ่ซ่านเข้าไปแล้วมันจะตั้งขึ้นมาเป็นลักษณะบางคนก็เป็นแนวดิ่งจากจากฐานที่รู้ลมหายใจเข้ามาสู่นี้แล้วก็ตั้งมาเป็นแนวดิ่งอย่างนี้ตั้งมาเป็นแนวดิ่งอย่างนี้หาถ้ามันมีสภาวะพารณาปิติที่มันมีการกระจายแล้วก็แผ่เข้าไปแผ่เข้าไปแผ่เข้าไปแผ่เข้าไปแผ่เข้าไปแผ่เข้าไปแผ่เข้าไปมีความอึอิ่มบวกกับ ความความอึบอิ่มบวกกับความปราโมดบวกกับความเอ่อบวกกับความบวกกับความอึบอิ่มความปราโมดและความโน้มใจอันนี้เป็นปรนาบิตรพอเป็นปรนนบิติตัวนี้พระพุทธเจ้าว่าไงฮะปิติปฏิสังเวทีอัศศิษามีติสิกติพระพูดตรงนี้ พวกเราบางคนก็บอกว่าโอถ้ามันถ้ามันแพรอย่างนั้นอะไร้ น, นมันเกิดตั้งแต่รู้ลมยาวแล้วก็ใช่สภาวะที่พูดมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปิติไม่ว่าจะเป็นลมลมละเอียดไม่ว่าจะเป็นลมสั้นไม่ว่าจะเป็นลมยาวมันเกิดมาตั้งแต่เรารู้ลมยาวแล้วแต่มันไม่ชัดพอราเข้าทากิจในการรู้ความนานของลมหายใจออกลมหายใจเข้าที่เรียกว่ารู้ลมยาว เราทำกิจในการรู้ลมยาวเนี่ยลมสั้นมันก็ชัดเราทำกิจในการรู้ลมสั้นลมทั้งปวงมันก็ชัดเราทำกิจในการรู้ลมทั้งปวงลมระหับมันก็ชัดเราทำกิจในการรู้ลมระหับปิติมันก็ชัดเราทำกิจในการรู้ปิติสุขมันก็ชัดเราทำกิจในการรู้สุขอะไรเนี่ย นักเลงอานาต้องท่องสูตรนี้ให้ได้นักเลงอานานะต้องท่องอานาปานสตีสูตรได้ได้อะไรตอบีิเราทากิจในการรู้สึกอะไรมันชัดจิตตังขานคืออะไรเอออะไรมีอะไ ร, ะไรจิตตังขานเนี่ย คือเนามานสิกาเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมานสิกาอันนี้มันมีตั้งแต่ตอนไหนมันมีตั้งแต่ตอนรู้รุยาวแล้วแต่มันไม่ชัดเข้าใจยังพอเราทำกิจแ ต, แต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อมันส่งผลให้ตอนนี้เกิดเป็นจิตตสังขารจิตผู้รู้สามารถที่จะเห็น จิตตสังขารปรากฏแต่จิตตสังขารมันไม่ใช่มาเพิ่งปรากฏนะคือมันมีอยู่เป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วเพราะความเจริญขึ้นของสติสัมปชัญญะสติสมาธิและปัญญาจึงทําให้สิ่งเหล่านี้สมบูรณ์และก็ปรากฏเป็นเหตุเป็นผลขึ้นมาเป็นชั้นชั้นยากหน่อยแต่ว่าเข้าใจไหม <laughs> เข้าใจไหมเข้าใจตามลําดับนะ แม้นมัยังไม่ได้แต่สามารถทําความเข้าใจได้ใช่ไหมได้ไหมเออพอจิตสังขารปรากฏทําจิตสังขารให้มันปรากฏทําจิตสังขารให้มันชํานาดรู้จิตสังขารเนี่ยให้มันชํานาญชํานาญชํานาญชํานาญชํานาญอะไรปรากฏฮะจิตสังขารแล้วครับเั็นไหม ความชํานาญในการรู้จิตตสังขาร น, นี้คืออะไรก็คือเห็นมันหยุดเห็นเวทนามันหยุดเห็นฐานผัสะมันหยุดเห็นมันหยุดหยุดหยุหยุยมันหยุดอะไรดูจิตตสังขารที่ระหับนี้ให้มันชัดชัดจริงๆแล้วอะไรจะปรากฏ เมื่อจิตตะสังขารดูมันจนชํานานและชัดเจนแล้วอะไรปรากฏก็คือความที่จิตตะสังขารมันหยุดดูจิตตะสังขารความที่จิตตะสังขารมันหยุดเนี่ยดูไปให้มันชัดมึกจิตก็เกาะอยู่กับอานานี่แหละแต่ดูจิตตะสังขารนี่ดูจิตตสังขารที่มันหยุดให้ชัดอะไรปรากฏทีนี้ก็จิตจะปรากฏ จิตตะปฏิสั่งเวทีอัสฉริสามีติสิกติจิตจะปรากฏเห็นอย่างเพราะการดูจิตให้เห็นจิตจริงๆต้องขั้นเนี้ยขั้นที่เท่าไหร่ขั้นนี้จะต้องเห็นจิตตะสังขารคืออาการของจิตทั้งปวงนั้นเห็นมันหยุดเห็นมันระครับเห็นระครับจนชัดจิตก็จะปรากฏอันดูจิตเป็นเรื่องง่ายหรื อ, รอยาก แล้วจิตนี้มีตั้งแต่ตอนไหนฮะจิตมีตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่ตอนแรกแล้วไม่มีตั้งแต่ตอนนี้แม่นไม่ดูลมจิตมีไหมไม่มีก็ตายทแต่การเห็นจิตหรือูดูจิตที่มีสติสามปชัญะเข้าไปรู้ด้วยนี่คือขั้นที่เท่าไหร่ฮะขั้นที่เท่าไหร่จ๊ะ อ้าวทำไมมันคนละสูตรกันเหรอคนละสูตรกันเหรอขั้นที่เท่าไหร่ฮะขั้นที่เท่าไหร่เอาทวนกันหน่อยทวนกันหน่อยหนึ่งทีคังว่าอาจจัจฉรนโตตีครังอัจฉริสามีติสิกติ ทีขังว่าปัจจสัสัตโตทีขังปัจสัมมีติสิกตินี่หนึ่งถูกไหมเอาสอ ง, สงสรัตสังว่าปัจจสัตสัตโตรัตสังอัตสัมมีติตตสิกติเอ้ประจานาติรัตสังว่าปัจจสัตสัตโตรัตสังปัจสัมมีติสิเอ้ประจานาตินี่เท่าไหร่สองต่อไป สัพพะกายะปฏิสังเวทีอัตสสสสตสิสามีติ ส, ส, สิกติสัพพะกายะปัติสังเวทีปัตตสิสามีติสิกติสามต่อไปปัจฉยังกายสังฆารังอัตตสิสามีติสิกติปัจฉยัญญาปัจฉยัญญาสังฆารังปัตตสิสามีติสิกตินี่สหมวดกายานุปัสสนาจบอ้าวต่อไป ปีติปฏิสังเวทีอัิมีติสิกติปีติสังเวทีปัิมีติสิกติหนึ่งเป็นเป็นแล้วหรปหห้าสุขะปสั่งเวทีอัิมีติสิกติสุขะปสังเวทีปัิมีติสิกติหต่อไปะ อจิตตสังขารปฏิสังเวทีอัตตสิทธามีติสิกขะติจิตตส ab, ังขารปฏิสังเวทีปัตสิทธามีติสิกขะติเจ็ดเอ๊ะทำไมมันสามอ่ะเจ็ดต่อไปต่อไปปัตสัมปยังจิตตสังขารอัตตสิทสามีติสิกขะติปัตสัมปยังจิตตสังขารปัตสิทสามีติสิกขะติ แเห็นยังหมวดเวทนานุปัสนาจบขั้นที่แปดเอาต่อไปจิตตะปริสั่งเวทีอัตสิสัมีติสิกติจิตตะปฏิสั่งเวทีปัิสิสัมีติสิกตินี่คือขั้นที่เก้าอือเอาขั้นที่สิบคืออะไรฮะขั้นที่สิบคนละสูตรกันอีกแล้ว ออาเอานนี่น้องใหม่นะเนี่ยอย่าท่องให้หมดนะอายเขาเดี๋ยวพวกคนหนึ่งเขาอายพวกพี่ๆทั้งหลายเนี่ยจะอายขั้นที่เก้าคือขั้นที่สิบคืออะไรพอพอสติสัมจิตผู้รู้เห็นจิตจิตตาเป็นสั่งเวทีอัตตจิตามมติสิกติจิตตาเป็นสั่งเวทีอัตตจิามมติคือทำการรู้จิตให้ชํานาญอะไรจะปรากฏ อ๋ออ๋ออฮะอภิพมพตยังจิตตังอจติจ้ามิติสิกขติอาภิพโมพุจิตตังปัจสิทธามิติสิกขติอาภิพโมพจะยังคืออะไรคือมันจะเกิดความประโมทอย่างยิ่งความร่าเริงอย่างยิ่งในขณะที่จิตรู้เห็นจิตแ ท, แท้จิตอย่างเดียวถามว่าถามว่า สัญญายังมีอยู่ไหมมีอยู่ไหมที่เป็นจิตตสังขารซึ่งดับไปแล้วถามว่าจริงๆแล้วสัญญามีอยู่ไหมมันมีอยู่นะไม่มีอยู่ไม่ได้มันมีอยู่แต่มันมันเป็นสภาวะที่มีอยู่ชนิดที่ละเอียดไม่จําเป็นจะต้องไปดูไปเห็นมันเราแต่ว่าจิตนั้นจะปรากฏชัด จิตเจ็ผู้รู้จะจะเข้าไปถึงสภาพที่ชื่อว่าจิตนั้นชัดเจนเราจะอ๋ออ๋อเนี่ยะอ๋อเอาเงินมาให้สักสิบล้านเพื่อจะแลกกับสิ่งนี้ก็ไม่เอาตอนนั้นอืมพอพอดูก็ไปเรื่อยๆๆปั๊บมันจะเกิดอะไรอะไรจะปรากฏเมื่อรู้ในจิตอย่างชํานาญก็จะเกิดความปรามโมทความร่าเริองอย่างยิ่งในจิตนั้นในจิตผู้รู้ ก็เอาความประโมดความร่าเริงนี่แหละเป็นกิจทําความประโมดความร่าเริงให้มันชํานาญอะไรจะปรากฏอะมันจะเกิดความตั้งมั่นจิตนี้เราจะมันความตั้งมั่นของจิตจริงๆมันมีตั้งแต่ตอนไหนมันมีมาก็มันอยู่แล้วความประโมดนี่ก็มีคก็มันอยู่แล้วแต่มันมาปรากฏชัดให้จิตผู้รู้สามารถที่จะเข้าไปรู้ได้ เห็นความตั ite, ้งมั่นของจิตปรากฏเอาความตั้งมั่นของจิตนี้ลักษณะของความตั้งมั่นนะตอนนี้เป็นการตั้งมั่นภายในไม่ต้องอาศัยใดๆเลยมีความไม่ฟุ้งซ่านมีความไม่กระสับกระสายเป็นลักษณะเห็นเป็นอย่างนั้นเลยนะเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นชิ้นเป็นอันของจมตั้งมั่นของจิตอย่างนั้นเลยนะแล้วก็เอาตัวเขามาเป็นกิจแล้วก็ทำให้ชำนาญเมื่อตัวนี้ชานาญจะเกิดอะไรขึ้น วิโมจะยังจิตตังเอ๊ะจำได้หรือว่าดูแบบวะเออถ้าจำได้นี่สมที่เอกชัยยกให้เป็นวิทยากรวิโมจะยังคืออะไรฮะฮะวิโมจะยังคืออะไรเรื่องจิตเรื่องอะไรวะหอะ เรื่องจิตเรื่องอะไรเมื่อกี้เราเราเไปเห็นไปรู้ไปเห็นด้วยอะไรจิตผู้รู้ใช่ไหมเปลื่องจิตนี่คือมันเปลื่องอะไรออกเปื่องจิตผู้รู้นี่เมื่อชํานาญไปมองมองมองมองไปับ๊ป๊มันก็มีอาการเปลื่องจิตผู้รู้เหมือนถูกปอกลอกออกไปอีกชั้นหนึ่งตัวจิตผู้รู้เนี่ยต่อไปมันจะเกิดอะไรมันไม่ใช่จิตผู้รู้แล้วแต่มันจะอยู่ในสภาพของอะไร เห็นจำไว้มันจะเกิดการเห็นมันเหมือนกับการรู้แต่เรามาถึงขั้นนี้เรารู้ว่านี่ไม่ใช่รู้แต่มันอะไรเห็นมันเห็นเห็นจิตผู้รู้ถูกเรื่องออกไปสภาพเห็นจึงปรากฏนี่คือเข้าสู่วิปัสนาญาณเหนื่อยเลยเหรอเหนื่อยเลยเหรอ ฮะอะอยาหนักใจขอให้เราติดกระดุมเม็ดแรกให้ได้ฮะติดกระดุมเม็ดแรกทั้งหมดที่พูดมาที่พระพุทธเจ้าสอนที่เป็นแบบนี้ไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่แต่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนและเข้าไปไม่ถึงเพราะอะไรเพราะความไม่ชำนาญในกิจแต่ละขั้น ถ้าเราเป็นคนห้อยเปรี่ยเสียขาแล้วเราไปยืนอยู่ตรงพื้นกับบันไดที่ชันขั้นที่มันห่างกันเราเป็นคนห้อยเปลี่ยเสียขาที่แรงไม่มีนะเราไปยืนทอดถรนหายใจอาเลยอาวรว่าฉันจะขึ้นไปขั้นที่สิบได้ยังไงวะเป็นไปได้ไหม ได้ไหมใช่ไหมโยมจะปีนมัจะขึ้นไปขั้นที่สิบได้ยังไงวะกับเรียบแรงอุขนานนี้ไม่ต้องเราทำกิจแค่อะไรถ้าเรายืนอยู่ที่พื้นดินเนี่ยเราทำกิจแค่อะไรแค่ยืนที่พื้นดินนี่ให้มันชำนาญมองเห็นบันไดขั้นที่หนึ่งแล้วก็ ก้าวขึ้นไปสู่ขั้นที่หนึ่งนี้เราอาจจะต้องตัดแคงอาจจะต้องใช้ขาอาจจะต้องใช้มืออาจจะต้องม้วนตัวอะไรก็แล้วแต่แหละแต่ขึ้นไปขั้นบันที่หนึ่งนี้ให้ได้เมื่อเราขึ้นไปขั้นที่หนึ่งได้ขั้นที่สองจะขึ้นได้ไหมขึ้นขั้นที่สองได้ขั้นที่สามจะขึ้นได้ไหมขั้นที่สามได้ขั้นที่สี่จะขึ้นได้ไหม แล้วมันจะมีปัญหาอะไรกับขั้นที่สิบแต่ตราบใดที่เรายืนอยู่ที่พื้นดินเราเป็นคนห้อยเปี้ยเสียขาเรียวแรงเราไม่มีเรามองแต่บันทัยขั้นที่สิบโอ้ยตายแล้วตายเนื่อยเอ๊ะเข้าใจกันไหมเนี่ยเออเหนื่อยก็ที่พูดให้ฟังตั้งใจให้ฟังเพื่อที่จะให้เหนื่อยนี่แหละจะได้จะได้ไม่ไปต้อง มุ่งมา่ปรารถนาในขั้นโน้นออกขั้นที่หนึ่งกับที่สองนี่ก่อน <c oughs> อ้าวต่อไปเข้าสู่อะไรแล้วเมื่อกี้วิปัสนาญาณพบเรืือกจิตผู้รู้มันก็จะเกิดการเห็นนะเห็นนี้เห็นอะไร <c oughs> เห็นทุกอย่างแต่โดยรวมมันเป็นอะไร มันเป็นเวทเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารวิญญาณเห็นในอะไรในขันห้าในขันห้าทั้งหมดเลยสิ่งที่จะเห็นต่อไปนี้เป็นขันห้าทั้งหมดเลยเพราะว่าภายนอกนั้นจิตตัดมาหมดแล้วจิตผู้รู้ตัดมาหมดแล้วข้างของภายนอกเข้าใจไหมมันตัดมาหมดแล้วแม้แต่ กายนักขณะนั้นก็นิ่งจิตก็นิ่งทุกอย่างมันนิ่งสงบไปหมดแล้วมันตัดไปหมดแล้วแม้แต่ จ, จิตผู้รู้ก็ถูกเปลืองออกไปแล้วด้วยกําลังความเจริญ ข, ขึ้นของมันเกิดการเห็นขึ้นมาเห็นนี่คืออะไรเห็นในสภาพขั้นนี้เนี่ยมันเห็นในสิ่งที่มันปรากฏตามธรรมชาติของมันสิ่งที่ปรากฏตาธรรมชาติแล้วเห็นไม่มีการจงใจเข้าไปเห็นเราไม่ใช่ผู้เห็น สิ่งที่ถูกเห็นนั้นเราก็ไม่ได้อยู่ในสิ่งที่ถูกเห็นทุกอย่างมันปรากฏขึ้นตามเหตุตามปัจจัยความจริงจึงปรากฏเมื่อสภาพเห็นเกิดขึ้นความจริงจึงปรากฏถ้าความเห็นตัวเห็นนี้ไม่เกิดความจริงจะปรากฏได้ไหมยากยากความจริงที่สุดของมันที่จะปรากฏนี้คือปรากฏตามความเป็นจริงของสิ่งนั้น เมื่อเห็นรูปเราไปเป็นรูปไหมไม่เป็นรูปเป็นเราไหมไม่เป็นรูปเป็นเพียงแค่สภาวะที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยและมีความเป็นจริงตามประจำรูปนั้นอยู่ความเป็นจริงของรูปนั้นเป็นอะไรต่อไปนี้มันก็จะเห็นเป็นอะไรพอเห็นรูปก็คือรูปเวทนาก็คือเวทนารูปก็คือรูปนามก็คือนามมันเห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นเห็นความเป็นจริงที่มันปรากฏจนชานาญมันเกิดอะไร มันเกิดเกิดเกิดเกิดความเป็นจริงอันหนึ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นคืออะไรอนิจญานุปัสสีอัตสิมติสิกขตินิจานุปัสสีปัสสิมติสิกขติมันความไม่เที่ยงของสิ่งที่ปรากฏก็เกิดขึ้น เที่ยงหรือไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงตัวเห็นที่เห็นในสภาวะที่เกิดขึ้นว่ามันไม่เที่ยงนี่เป็นอนิจจานุปัสสีขั้นที่เท่าไหร่ฮะสิบเท่าไหร่ฮะ วันนี้จะเดินได้จบเลยจะให้รู้สึกเหนื่อยกันไปตามๆกันเลยอ้าวความไม่เที่ยงก็ปรากฏปรากฏในรู้หรือในเห็นจริงๆแล้วมันคือรู้เห็นเรียกว่าญาณทัศนะอา้าว พอความไม่เที่ยงปรากฏเห็นความไม่เที่ยงปรากฏทำความไม่เที่ยงเนี่ยจนชำนาญดูความไม่เที่ยงไปเรื่อย 1975, ๆ också. อะไรปรากฏอะไรปรากฏะวิราคะวิราคารุปัสสีอัฏฐิตสมีติสิกติวิราคานุปัสสีปัฏิตมีติสิกติวิราคะคืออะไรวิราคะคืออะไรฮะ ราคะคือการคลายจากความข้องความติดเมือ่อเห็นมันบ oh ok. okay. ึเห็นมันไม่เที่ยงไปไงจากสิ่งที่เราเคยเข้าใจว่าโอ้ยนี่มันเที่ยงนี่มันเป็นเรานี่มันนู้นนู้เกิดความไม่เที่ยงปรากฏปั๊บทุกอย่างมันเป็นไงล้มล้มหมดเลยที่เคยยึดถือไว้ทั้งหมดเลยพังหมดเลยพังเพราะอะไรเพราะความเป็นจริงที่ปรากฏว่ามันไม่เที่ยงดูความไม่เที่ยงนี้จนชํานาญมันก็วิราคะปรากฏ วิราคะก็คือการคลายออกจากความข้องความติดสิ่งที่ชอบชอบชอบชอบบชอบอยู่นั่นน่ะมันคลายออกมาคลายออกมาเป็นวิราคานุ ป, ปัสสีดูวิราคะคือการคลายออกจากความข้องความติดทั้งหมดนี้ทําไปจนมันชํานาญอะไรปรากฏอ่ะ เบื่อถูกนะแต่ความเบื่อมันจะเกิดขึ้นในระหว่างการชนานาญในความคล่องความติดในระหว่างที่เราทากิจคือดูวิราคะอยู่กับวิราคะเนี่ยมันจะเกิดความเบื่อหน่ายเกิดอะไรขึ้นมาอยู่แต่มันอยู่นี่แปลความว่ามันยังไม่ชานานเย เวลาชำนาญจริงๆชำนาญในขั้นวิราคารุปัสสีแล้วเนี่ยอะไรปรากฏนิโรนิโรทานุปัสสีอัศสิชามมตสิกติอืมนิโรทานุปัสสีปสสิตัวนิโรธที่ว่าดับเนี่ยมันไม่ใช่รูปดับนะไม่ใช่รูปไอตัวยึดอยู่ทั้งหลายแหล่ ภาวะของความดับที่มันปรากฏนี้มันจะไม่มีเยื่อใยใดๆที่จะให้เราออกไปยึดในสิ่งที่มันดับไปแล้วตั้งแต่มันไม่เที่ยงคลายจากอาความคล้องความติดแล้วในที่สุดมันมีความดับปรากฏอะไรโผล่ดับโผล่ดับโผล่ดับโผล่ดับหมดเลยไม่มีสาระแกนสารใดๆ ที่จะปรุงแต่งออกไปให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอัตราใดๆอีกแล้วมันเกิดเป็นความดับยังไม่จบอีกนะอ้าวความดับเป็นกิจทำความดับนี้ดูความดับนี่ให้มันชานานชานานชานานชานานชานา น, น, านอะไรปรกากฏฮะจิตมันก็เลย ไม่เอาใดๆอีกแล้วเรียกว่าปฏินิสขานุปัตสิงัตสิทซามีติสิกติคือมันสลัดคืนสลัดคืนหมดไม่ใช่คืนอะไรนะคืนให้มันไปเป็นตามเหตุตามปัจจัยของมันไม่ใช่กูอีกแล้วไม่ใช่กูของกูอีกแล้วสลัดออกไปสลัดออกไปสลัดออกไปสลัดออกไปสลัดออกไปสลัดเองตามความชำนาญของการดูความดับ นี่เรียกว่าปฏินิสขานุปสีจบอาณาเหนื่อยไหมเหนื่อยปะเหนื่อยเหรอไปมองมองแต่ขั้นที่หกกดิเราเป็นคนห้อยเปลี่ยเสียขาแรงน้อยฮะแรงน้อยยืนอยู่บนพื้นดิน เป็นบันไดตั้งชันอยู่สีบกขั้นถ้าเราไปมองขั้นที่สี่บกเราจะเป็นยังไงตายแล้วตายแล้วกุกลึกลงมาก็เลยไม่ต้องทําปล่อยให้เป็นขี้ข้าของโบาะขี้ข้าของงาวิชาให้มันปรุงแต่งกระชากลากถูไปเวียนไหวตายเกิดอยู่นั่นนหะแต่เรามาอยู่วันนี้มันนั่งที่นี่ตรงนี้เพราะอะไรเพราะเราไม่ต้องการเอาจมกับความทุกข์อีกแล้ว เราไม่ไปยอมแพ้ตันหาอุปาทานเราไม่ต้องการไปตามเส้นสายของอวิชชาถูกไหอแล้วเราข้อดีที่สุดและเรื่องนี้ทำให้เราเห็นถึงอะไรนี่คือพระคุณของผู้ที่ชื่อว่าพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นในโลกใบนี้วันนี้เราไม่มีวันจะได้มานั่งคุยอย่างนี้นี่คือเป็นความรู้ที่ พระพุทธเจ้าค้นพบและนํามาเปิดเผย เ, เ, เป็นความรู้เป็นศาสตร์ที่มีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติเลยและมันมีอยู่ที่ไหนทั้งหมดนี้มันมีอยู่ที่ไหนตอบพร้อมๆกันเด้มันมีอยู่ที่ไหนมีอยู่ในใจทุกดวงไม่เว้นแม้แต่ทุกๆคนที่นั่งอยู่ในที่นี้สภาพทั้งหมดนี้มีทั้งหมดเลยแต่การปฏิบัติตามหลักของอานาปานนะสิเพียงแค่ให้เราเข้าให้ถึงซึ่งธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในภายในของเรา แต่มันยากไหมหล่ะทีนี้มันไม่ยากไอ้ที่เราบอกว่ายากเพราะว่ายากเนี่ยเพราะเราห้อยเปรี้ยเสียขาไม่มีแรงอ่อ่ะถามมีคำถามไหมเพราะเมื่อกี้นั่งมาสามสิบนาทีแล้วใช่ไหมเออเอามีคำถามไหม ท่านสังเกตไหมพอเข้าสู่ขั้นของสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสังเกตไหมว่าตรงนี้มันจะมีอะไรที่แบบและตอนนี้มีคนพูดว่าก็ถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วทำไมมันไม่หลุดพ้นไปเลยอะ่ะ อ่ะทำไมมันหลุดพ้นไปเลยอ่ะเราจะต้องเสียเวลากับวิธีการที่ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าเยอะมากที่มีอยู่ในโลกใบนี้ตั้งแต่หลังจากพระพุทธเจ้าจตรัสรู้มาผู้ที่ไม่ได้นำเรื่องนี้มาเปิดเผยมาสอนเราเลยไม่คุ้นชินไม่คุ้นเคยเลยเราไปคุ้นเคยกับเรื่องราวที่ที่ที่ที่ ต่างๆนะเราไปคุ้นชินกับเรื่องนั้นแล้วเราก็เกิดเป็นอะไรปฏิปัทาสัญญาคือความหมายมั่นในเรื่องของการปฏิบัติที่เราเอาชีวิตของเราทั้งชีวิตด้วยความหวังว่าเราจะพ้นทุกข์ไปหมกมุ่นจมอยู่ในสิ่งซึ่งออกไปจากคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วเราบอกกับตัวเองว่าเราขั้นนั้นขั้นนี้ชั้นนั้นบางคนมาบอกโอ้ยนี่สบายแล้วเนี่ยจบ เ, เวทนานุปัฏฐเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานแล้วเนี่ยกําลังปฏิบัติกําลังจะขึ้นสู่ธรรมานุปัสนาสติป จ, จิตตาานุปัสนาแล้วบางคนก็บอกนี่ฉันจบจิตตานุปัสนาแล้วนี่เดือนหน้ากะ ว, ว่าจะขึ้นธรรมานุปัสนาแล้ว <c oughs> มันใช่ไหมอย่าหลงตัวเองเด็ดขาดเดินออกมาเดินออกมาจากความหลงของตนเองเพราะความหลงนี้มันเกิดแล้วสำเร็จแล้วนี่พระพุทธเจ้าว่าโบหเนยเยสุมุจจิโตโมกมุ่นชุ่มแช่อยู่ในอารมณ์อันเป็นขี้ข้าของโบหะ โมหะมันก็จะสร้างกำแพงมาใหญ่ตโตโมหะที่สร้างกำแพงมาใหญ่โตที่น่ากลัวที่สุดก็เรียกว่าความมืดสีขาวคือในเส้นทางของการปฏิบัตินี่แหละที่น่ากลัวที่สุดเลยบางคนนั่งสมาธิสามชั่วโมงสิบชั่วโมงนั่งเป็นวันนั่งเป็นคืนนั่งเป็นเดือนกลับไปถึงบ้านทะเลาะกับผัว <c oughs> <c oughs> หาว่าไอ้นุนมันขี้เมาส่งเสียงดังกูจะนั่งสมาธิไม่ได้เลยเดี๋ยวบันดีไม่ดีเครื่องแก้วเครื่องขวาเครื่งขวดมันขั้นไหนวะพอให้ ป, ปฏิบัติกลับบ้านปกติอาบน้ําแต่งตัวป้อนข้าวให้ลูกเที่ยวนี้ไม่เอาแล้วทําไม่ได้แล้วเออแต่ก่อนอยู่บ้านนี่กระจับกระเชงกระปรีก้กระเป๋าเดินรูดเร็ลุ ก, กทําอะไรนี่ปุ๊บปุ๊ป๊๊พกกลับไปที่สํานักปฏิบัติกลับมาบ้าน เนิบเนบเอื่อยเอยชา้ชาช้ามันตกงี้มันเสียชื่อถึงพระพุทธเจ้าหมดเลยของพระพุทธเจ้ามัต้องอะไรเออลัดตันตรงของพระพุทธเจ้ามันต้องลัดตันตรงคร่องเคล่วว่องไวกระชับกระเตงเด็ดเดียว อะไรที่เป็นอกุศลจะต้องไม่ให้โอกาสมันเกิดขึ้นที่มันมีอยู่นี่ต้องเขียมันออกไปส่วนที่มันยังไม่มีต้องไม่ให้มันเกิดส่วนอะไรที่เป็นกุศลเป็นไงที่มันมีอยู่ให้มันพัฒนาขึ้นไปส่วนที่มันยังไม่มีให้มันเกิดต้องกล้าหาญเด็ดเดี่ยวแบบนั้นไม่ใช่นั่งสมาธิหมาเห่าอยู่ข้างๆรำคาญลุกขึ้นไปเตะหมาเงี้ยอะไรมันเกิดเราจะเอาสมาธิ เราจะเอาสมาธิแล้ววิ่งลุกไปเตะหมาเพื่อให้หาเมื่อหมามันเงียบเนี่ยน ะ, สะแสดงว่าอะไรสะแสดงว่าหมามันมาเป็นองค์ฌานเพราะว่าหมาเงียบหมาก็มาอยู่ในองค์ฌานถูกป่ะเออ <laughs> อันนี้ไม่ได้ว่าไปพูดถึงใครนะพูดถึง <laughs> <laughs> เอา้าจริงจรงิวันนี้จบอานาศิบุก ทีนี้ท่านสามารถดูความเป็นไปได้เมื่อกี้เราจับตรงไหนตรงเห็นใช่ไหมตรงเห็นแล้วเนี่ยพอมันเห็นพอจิตผู้รู้มันเรื่องออกไปผู้รู้จิตผู้รู้เป็นไงเพราะอะไรจิตผู้รู้มันเป็นเพราะอะไรเพราะจิตผู้รู้มันยังเป็นเราอยู่ถูกไหม เราไม่ไปอยู่ที่ลมเราไม่ไปอยู่ที่นิมิตเราไม่ได้ไปอยู่ที่จิตเราไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนแต่มันอยู่ตรงไหนตรงจิตผู้รู้ข้าวดูจนทำนานจิตผู้รู้นี้ถูกเปลืองออกไปเปลืองออกไปปับ๊บมันปรากฏเป็นสภาวะของความเห็นขึ้นมาตามพอเห็นเนี่ยมันจะไปเห็นรูปเห็นนามเห็นขันทั้งาที่ปรากฏอยู่เห็นแล้วเป็นความจริงเห็นความเกิดปรากฏก่อน เรียกว่าตอนนี้ไอความความความสิ่งที่มันปรากฏเนี่ยไล่า ย, ยานไปเลยไล่ตัวรู้เนี่ยไล่ไปเลยเป็นนามรูปบริเจตนาญาณเป็นนามรูปบริขคหายานเออแล้วก็เป็นสัมมัตสัญาณว่ากันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยรอยคือเห็นสภาพรูปนามที่ปรากฏนั้นเป็นเพียงแค่ธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นปรากฏตามเหตุตามปัจจัย ไม่มีเราอยู่ในนั้นแล้วแยกชัดเจนเลยเนี่ยเห็นเห็นอย่างนี้พอเห็นไปเรืเ่อยๆมันจะเกิดไปอะไรเห็นว่ารูปนามนี้่ที่มันปรากฏอยู่เนี่ยมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยมันมีเหตุมีปัจจัยให้มันเกิดไม่ใช่เราไม่ใช่เราเข้าไปเกิดไม่ใช่ไม่ใช่มันมาเกิดเป็นเราแต่มันเกิดตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่มันอยู่ๆแล้วมันจะเกิดขึ้นมาเฉย มันมีเหตุมีปัจจัยเป็นตัวเกิดแล้วก็รู้ไปเรื่อยนี่ในใ น, ในขณะที่ว่ามันยังไม่ชํานาญนะไม่ชนานาญนะมันดูแค่เห็นผู้รู้เรื่องออกไปแล้วมีความเห็นตัวเห็นที่เกิดขึ้นนี้มันจะทําให้เกิดความรู้เหล่านี้จะเริญขึ้นมาในจิตมันก็เห็นเปี่ยงแค่เป็นรูปเป็นนามแล้วก็เห็นเหตุและปัจจัยของรูปของนามดูไปเรื่อยแล้วก็มีความเป็นจริงของรูปของนามนี้มัน ตัวเห็นมันทำหน้าที่พิจารณาในรูปในนามที่มันเกิดตามเหตุตามปัจจัยนี้อันนี้เรียกว่าส ม, มัสนยานสิ่งที่จะปรากฏเลยจากการพิจารณาตามความเป็นจริงนี้เพราะมันไม่มีเราอยู่ในนั้นมันมีอคติใดๆอยู่ในนั้นไม่มีความถือมั่นคาดหมายใดๆอยู่ในนั้นมันโผล่ออกมาก็เห็นเป็นตามความเป็นจริงเหมือนเราลืมตาออกมาเห็นอะไรก็ว่าเป็นนันตตรง ไม่มีเราอยู่ในนั้นไม่ใช่เราเป็นผู้เห็นมันเป็นธรรมชาติที่ปรากฏมันก็พิจารณาก็เห็นความแปรปรวนความเปลี่ยนแปลงความความแตกสลายมันเห็นชักหมดอันนี้เรียกว่าสัมมัชชนญาณพอดูความนี้ไปนี้ไป๊ บ, ปบมันก็เกิดความสรุปขึ้นมาอะไรโอ้ยเป็นไงไม่มีอัตตาที่แท้จริงไม่มีความเที่ยง ไม่มีการใดไม่มีนิจังคือเที่ยงใช่ไหมสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เที่ยงแท้โอมันเป็นอนิจังเรียกว่าอะไรเกิดอนิจจานุ ป, ปัสสีอเวลามันเห็นว่ามันไม่เที่ยงแล้วเป็นไงฮะเวลามันเห็นว่ามันไม่เที่ยงแล้วเป็นไง อยู่กับความไม่เที่ยงเนี่ยให้มันชํานาญในระหว่างที่มันอยู่กับความไม่เที่ยงเห็นขันห้าของตนเองเห็นขันห <household S 1> ้าเนี่ยรูปเวทนาทนสัญญาทางการวิญญาณเนี่ยว่ามันไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงด้วยกําลังของสติสมัมปชัญญะที่พัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ลําดับขั้นที่หนึ่งนะคิดดูว่าสติสมัมปชัญญะตัวเนี้ยมั น, ม, นมันพัฒนาขึ้นมาในระดับไหนมันเห็นว่าไม่เที่ยงเนี่ยโอ้มันไม่เที่ยงไม่เที่ยงนี่ว่าไม่เที่ยงนี่ว่าไม่เที่ยมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงแล้วมันกก็เิดอะไร ยังไม่คลายความข้องติดเพราะมันชํานาญที่สุดของความไม่เที่ยงมันจะจึงไปสํารอกราคะออกแต่ในระหว่างที่มันพิจารณาดูความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นได้ว่าอันนี้คืออั น, นมาพูดขยายความที่ที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้ตรงนี้ว่าแท้จริงในการปฏิบัติที่ถูกต้องมันเกิดเป็นกระบวนการอย่างไรในขณะที่มันพิจารณาทําความเข้าใจความไม่เที่ยงหายใจออกพิจารณาความไม่เที่ยงหายใจเข้า พิจารณ า, าความไม่เที่ยงหายใจออกพิจารณาความไม่เที่ยงหายใจเข้าพิจารณาความไม่เที่ยงหายใจออกพิจารณาความไม่เที่ยงหายใจเข้ามันพิจารณาความไม่เที่ยงจะเกิดความรู้ในการพิจารณาถึงความไม่เที่ยงเป็นลําดับลําดับอะไรมัง่งพอมันเห็นความไม่เที่ยงไปเรื่อยๆเรื่อยความไม่เที่ยงที่พัฒนาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามันก็จะเห็นว่าอะไร กำลังอยู่บนพื้นดินด้วยลักษณะของห้อยเปี้ยเสียขาใช่ไหม <laughs> โอ้โหพูดธรรมะแบบนี้ยังหัวเราะกันได้เนาะพวกเรา <laughs> ม, มันจะเกิดอะไรถ้ามันดูความไม่เที่ยงโอ้โหมันก็จะเกิดอะไร <c oughs> มันจะเกิดความ เห็นมันว่ามันเป็นโทษมันเป็นโทษมันเป็นโทษจากการที่เราไปหลงไปยึดไปเข้าใจผิดว่ากูกูของกูของกูนี่กูนี่ของกูนี่กูนี่ของกูนี่กูนี่ของกูที่เราเคยหลงเคยยึดเคยย่งนันแล้โอ้ยไอตัวนี่นี่เองโอ้มันไม่เที่ยงนี่ว่ามันเป็นโทษอืมมันเป็นโทษ พอมันเป็นโทษแล้วมันไงมันเบื่อเบื่อไห ม, ไมไเมื่อเราเห็นอะไรที่มันเป็นโทษเมื่อเราเห็นอะไรที่มันไม่เที่ยงแล้วมันเป็นโทษแล้วเราก็เบื่อเบื่อเสร็จแล้วเราทำยังไงถ้าเรายืนอยู่แล้วเราเบื่อเบื่อขนาดไหน เบื่อแรงมากเหมือนกับเอาซากศพมาแขวนคอไว้โหยเบื่อไหมรังเกียจไหมมีความประสงอะไรประสงค์ที่จะสลัดมันออกไปใช่ไหมล่ะประสงค์อย่างนั้นไหมเรียกว่ามุนจิตุกามมัจจะตัยาประสงค์ที่จะออกไปไง่ายพ้นออกไปไงพ้นมันประควาประสงค์อย่างนั้น จากความรู้ที่พิจารณามันโดยลําดับลําดับลําดับนะพอประสงค์อย่างนั้นเสร็จมันก็เกิดพอเวลาเราจะประสงค์ที่จะออกไปให้พ้นสมมติอยู่ห้องเนี้ยเหม็นมากเลยเบื่อเบื่อทีนี้มันจะเกิดอะไรอยากออกไปจากห้องเวลาอยากออกไปจากห้องมันต้องทํำยังไงหาทางใช่ไหมหาทาง ไอ้ น, นี่รายละเอียดก็มันนะอยู่ในขั้นตอนของการปฏิบัตินะมันจะต้องทำไมหาทางหาทางเขาเรียกว่าปฏิสังขานุปสนายันมันจะต้องหาทางออกไปให้พ้นแล้วคือที่จะให้มีความยินดีชนตะพอใจกับการที่จะหมกอยู่กับห้องนี้ไม่มีอีกแล้วเป็นไปไม่ได้เข้าใจไหมเออมันใกล้ที่จะออกไปเด็ดขาดแล้วว่าจะต้องออกไปได้แต่หาทางพอหาทางแล้วทาไมต่อ ในระหว่างนั้นมันก็เกิดการสำรอกออกไปอืมมันสำรอกความชอบใจที่จะอยู่ห้องนี้เรียกว่าวิราคานุปษษัสสีสำรอกออกไปก่อนสำรอกออกไปก่อนเวลามันหาทางที่จะออกไปให้พ้นเนี่ยหาทางหางทางหางทางหาทา ง, า ท, า ง, า ท, างที่จะออกไปให้พ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นรูป้ป่ะฮะอืม จิตมันไม่เอาเพราะมันไม่เที่ยงใช่ไหมแล้วมันสํารอกความยินดีพอใจออกไปหมดแล้วมันไม่เอาแล้วแน่นอนที่สุดแล้วมันประสงค์ที่จะออกไปไ พ, พ้นแล้วแต่มันยังอยู่มันยังอ ย, ย, งอยู่มันก็เลยเกิดอาการอะไรไม่เอายังอยู่ไม่เอายังอยู่มันก็เลยเกิดอาการ ยอมรับและก็จนต่อสัจจะคือความเป็นจริงในสิ่งนั้นๆเรียกว่าสังขารุปเปกขายานมันเข้าสู่ความสงบได้เลยเพราะว่ามันไม่เอาใช่ไหมพอเข้าสู่สังขารุปเปกขายานนี้มันยังไงต่อ พมันสหบแล้วมันไม่เอาแล้วยังไงต่ อ, อ, อมันเดินออกอย่างสหบเลยการเดินออกไปอย่างสหบของเขาเป็นยังไงฮะมันจะเกิดเป็นสั จ, จานุโลมิกยานก็คือว่าเกิด<ม> เป็นญานที่อนุโลมเข้าไปตามอริยสัตว์แล้วมันไม่ไปไหนแล้วมันจะอนุโลมเข้ากับอริยสัตว์แล้วอืเรียกว่าสัจจานุโลมิกยานเป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นมาอย่างนี้ไม่แตกสารสั้นเซนไปเป็นอย่างอื่นมันก็จะก้าวเข้าไปสู่อะไรที่เขาเรียกกันด้วย มั่วกันมากเลยนะในในบรรณเนี้ยเขาเรียกโคตรภูยานยานคร่อมโคดคร่อมโคดโคตสองโคดคืออะไรปุตุชนโคดกับอริยโคดขาข้างหนึ่งอยู่ในปุตุชนโคดขาข้างหนึ่งเหยียบอยู่ที่อริยโคดเข้าใจไหมเออ พอขาข้างหนึ่งเหยียบที่อริยโคตแต่ขาอีกข้างหนึ่งยังอยู่ที่ปุตตุชนโคตปกก้าวไปแล้วเท้านี้มันกําลังจะเข้าเข้ามาตรงนี้เรียกว่าโคตดระพูญานฮะเข้าใจไหมที่แน่ๆคือขาข้างนี้จะต้องออกมาจากปุตตุชนโคตแน่นอนหรือเปรียบเหมือนเรายืนอยู่บนหน้าผาแล้วโยนลูกฟุตบอลลงมาจากหน้าผา ลูกขุดบอลมันหลุดมือจากเราไปแล้วร่วงลงดูดางล่างแล้วในขณะที่ลูกขุดบอลกำลังร่วงลงนั้นเรียกว่าโคตรตะรพูยนันเมื่อมันแตะถึงก้นเหวเมื่อใดเมื่อนั้นเป็นอริยโคตรซึ่งมันคือนิโรธานุปัสสีกับปฏินิสขานุปัสสี แต่ที่พูดด้วยความพื่เป็นญญานยานเนี่ยไล่ไปเป็นลำดับของมันตามความเป็นจริงที่พวกเราสามารถทำความเข้าใจได้เป็นไงล่ะทีนี้ห้อยเปียเสียขานั่งอยู่บนพื้นดินมองขึ้นไปที่ขั้นที่สิบแล้วรู้สึกไง <c oughs> เหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ทำไงต้องเอา <c oughs> ต้องไปให้ถึงเพราะว่าเราเกิดมาในประเทศไทยเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้ว เจอพระพุทธเจ้าแล้วเราตายไปจากชาตินี้มาใหม่ไม่รู้ไปเจอที่ไหนกว่าจะได้มาเป็นอย่างนี้นะอย่าไปหลงว่าตัวเองยังสาวยังสวยอยู่อย่าไปหลงว่าเรายังรวยอยู่โอ้ยฉันเสพถูกของฉันไปดีกว่าเดี๋ยวใกล้ๆกล้ตายก่อนฉันก่อยเอามันไม่ทันเพราะอะไรเพราะมันห้อยเปลี่ยเสียขาไม่มีแรง พอเราพอพวกท่านมีความรู้อย่างนี้ท่านสังเกตไหมว่าการปฏิบัติของเราทำไมจะต้องใช้อานาปานสติทำไมเราต้องใช้อานาปานสติใช่ไหมทำไมต้องอานาทำไมต้องอาณา เพราะมันง่ายที่สุดมันง่ายที่สุดไม่ต้องลงทุนไม่ต้องไปไหนไม่ต้องทำอะไรแค่ยังไม่ตายอยู่ปฏิบัติได้เลยมันง่ายที่สุดไอ้ที่เราต้องแต่งตัวอย่างนี้เนี่ยเพราะเราต้องมารังรวมกลุ่มกันมาอยู่กับพระแต่จริงๆแล้วเวลาเราอยู่ที่บ้านนุ่งกางเกงขาดขาดแหว่งแว่งทำได้ไหม หิวหรืออิ่มทำได้ไหมง่วงหรือไม่ง่วงทำได้ไหมแต่ยากหน่อย <c oughs> <c oughs> มันง่ายที่สุดพระพุทธเจ้าจึงสอนการภาวนาด้วยอาณาปานาสติและสรุปไว้ยอย่างชัดเจนว่าอาณาปานาสติอันบุคคลใดจเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำให้สติปฐานสี่บริบูรณ์ได้สติปฐานสี่อันบุคคลใดทาให้มากแล้วทำเริ่แล้วทำมากแล้ว ย่อมทำให้โพธชงเจ็ดบริบูรณ์ได้โพธชงทั้งเจดอันบุคคลใดอบรมแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำให้วิชาและบีมุติมันคืออะไรคือที่สุดของการปฏิบัติใช่ไหมเล่าอืมนั้นในลำดับองค์ของธรรมที่จะนำไปสู่ความสิ้นทุกเรียกว่าโพ ธ, ธิปัิยธรรมมีอะไรโพ ธ, ธิปัิยธรรมมีกี่ประการฮะ ใ, ใครเจ็ดเอา ลงเจ็ดยี่บเจ็ดหรือสามเจ็ดโพธิปัจกิยธรรมมีสาสิบเจ็ดประการลำดับองค์ธรรมที่จะนำไปสู่ความสิ้นทุกหนึ่งสติประทานสีสองสัมมปทานสี่สามอิตทิบาทสี่สี่อินสีห่ห้าหพระละห้าหโพธชงเจ็ดแปดมักมีองค์แปด รวมแล้วเท่าไหรพังสาสิบเจ็ดนี้สามารถที่จะเกิดได้ด้วยอาณาปานาสติเพราะฉะนั้นคำพูดที่สอนพวกเรามาตั้งแต่ต้นว่าลมหายใจอย่างเดียวได้ทุกอย่างถูกไหมล่ะ <c oughs> ลมหายใจอย่างเดียวได้ทุกอย่างอืม